สิบเจ็ดต้องขออภัยอีกครั้งเถิดที่ยังพูดถึงเรื่องนี้ยืดยาวขออภัยเป็นอย่างมากเลยนะที่พูดกันถึงอย่างนี้นั้นก็ไม่ได้คิดจะลบหลู่พระเจ้าแต่อย่างใดเลยขอยืนยันจริงๆ ไม่ได้เจตนาจะยกตนข่มท่านหรืออวดดีอวดใหญ่เลยเจตนาพูดให้เข้าใจได้ชัดๆจะเข้าไปถึงความจริงจะเข้าไปถึงความเป็นจริงให้ครบให้ลึกให้รอบท้วนอย่างง่ายง่ายตรงตรงไม่โค้งไม่พลางซึ่งมันต้องเจาะเข้าไปที่ความจริง อันมีจริงและจะต้องพูดถึงนั่นเองที่ทำให้เปิดเผยความจริงจนดูเปลือยให้เห็นทุกภาวะแห่งความจริงล่อนจ้นลักษณะที่อาตมาประพฤตินี้จึงดูเป็นคนไร้มารยาทแสดงออกเกินสามัญปกติไปก็ต้องขออาภาัยซ้ำซากเหมือนไม่จริงใจ แต่ขอยืนยันจริงๆว่าเป็นความจริงใจที่สุดจริงๆเจตนาแน่มั่นของอาตมาคือคนจะต้องศึกษาหาความจริง